พวกเด็กๆพอรู้เรื่องไหมคำสอนพุทธเจ้านะมีเหตุมีผลเป็นเรื่องเหตุผลเหตุผลเหตุผลไปเรื่อยนะจนถึงจุดหนึ่งที่จิตมันแจ่มแจ้งแนละ้วมันจะปล่อยวางมันจะเข้าสู่สภาวะที่พ้นจากเหตุจากผลไปล้มีเหตุทำให้เกิดก็ เ, เกิดผล ผลเป็นตัวทุกข์เป็นทอดทอดไปนะเหตุคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้อริยสัจเริ่มแต่ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้อะไรคือตัวทุกข์ก็ขันห้ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่ประกอบกันเป็นตัวเรานี่แหละเรียกว่าตัวทุกข์ไม่รู้หน้าที่ต่อทุกข์เมื่อหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่ละ คนในโลกเนี้ยพยายามละทุกมันละไม่ได้กะทุกมันก็คือกายกับใจของเรานี่เองมันจะไปละได้ยังไงมันก็ต้องอยู่กับทุกนี่แหละอยู่อย่างเท่าทันนะรู้ทันใจก็เป็นอิสระจากกองทุกธรรมะของพระเจ้าสมบูรณ์ด้วยเหตุด้วยผลยนเวลาที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนะี่ยบอกไม่มีใครต้านทานได้ เมื่อทำมาจากนี้เริ่มหมุนไปแล้วนะไม่มีใครต้านได้ใครจะต้านเหตุผลได้ท่านชัดเจนมากนะอย่างผลเป็นสิ่งที่ต้องรับแนละเหตนะุเป็นสิ่งที่เราละได้ผลนะให้เรารู้ต้องอยู่กับมันเปนปฏิเสธผลนะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเป็นความไร้เดียงสาอย่างเรามีร่างกายเป็นแบบเนี้ย มันมีขอบเขตของมันอยู่ได้แค่เนี้ยเราปฏิเสธเราอยากมีร่างกายที่อมาตาะมันเป็นความไร้เดียงสาเวลาละลากันที่เหตุเหตุของทุกข์คือตัวสมุทยัยตัวความอยากความอยากเองก็มีเหตุให้เกิดคือความไม่รู้ งันถ้ละถึงรากถึงเน่าที่แท้จริงคือละที่อวิชชาละที่ความไม่รู้อริยสัตว์ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคทุกวันนี้นิโรธก็แข่งนะกัดแกว่งคนประกาศวาทะเกี่ยวกับพระนิพพานเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งเป็นเมืองเมืองหนึ่งอันนัน้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ สภาวะนิพพานที่แท้จริงคือภาวะที่สิ้นจากตัณหาถ้าเมื่ไรใจเราสิ้นจากตัณหาเราสัมผัสพระนิพพานไม่ต้องรอให้ตายใจสิ้นตัณหาตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็นะสัมผัสพระนิพพานตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอตายแล้วไปเข้านิพพานหรอกบางคนก็ว่านิพพานเป็นอัตตา เวนัตตาก็คือมันมีคนไปเป็นเจ้าของนิพพานพระเจ้าไม่ได้สอนนิพพานเป็นอัตตาท่านตีท่านชัดเลยนะท่านฝันทงเลยนิพพานเป็นอนัตตาเนี่ยเรื่องของนิโรธนะก็มั่วซั่วไปหมดนะเรื่องของทุกข์ก็ไม่รู้วิธีรู้ทุกข์อีกไปเพ่งทุกข์อีกเพราะฉนั้นคำสอนที่เพี้ยนเพียนเนี่ย อยู่ในแวดวงพระพุทธศาสนาเรานี่เองม่วนซัวไปหมดเลยพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกบางพวกก็ไปเพ่งหาทางละทุกพระพุทเจ้าให้ละสมุทยัยให้ละความอยากก็อยากละทุกข์ไม่มีความอยากอีกท่านให้รู้ทุกก็ไม่ยอมรู้ทุกอยากจะละท่านให้ละความอยากก็ไม่ได้เลยต้องอยาก คิดว่าถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่มีโมทีฟคิดว่าความอยากคือโมทีฟอย่างเดียวของมนุษย์นะตัณหาเป็นโมทีฟที่จะพาวนเวียนไปโมทีฟอีกชนิดหนึ่งนะมันเกิดจากฉันทะมันมีสติมีปัญญารู้ว่าอันนี้ควรทำเราทำสิ่งที่ควรไม่ได้ทำเพราะอยา ก, กธรรมะของพระเจ้านะั้งงดงาม ประนีตงดงามอย่ามั่วนะเรามั่วซั่วมากเลยเห็นนิพพานเป็นเมืองเป็นอย่องโน้นเป็นอย่างนี้ไปเฝ้าพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้านั่งเป็นแถวแถวอันนั้นมันนิมิตทั้งสิ้นเลยถ้ายังมีการเกิดก็ยังมีการดับอยู่สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นยังดับอยู่อีก น, ะนิมิตทั้งหลายก็เกิดแล้วก็ดับ ภาวะแห่งการสิ้นทุกขนะ์สำคัญที่สุดคนอยากไปอยู่ในโลกนิพพานจริงๆก็คืออยากพ้นทุกข์งันเราไม่ต้องรอตายแล้วไปเข้าโลกพระนิพพานเราพ้นทุกข์ตรงนี้เลยเมื่อสติปัญญาแก่รอบนะละอวิชชาได้ละความหลงผิดนะอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทยัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรค ถ้าแจกแจงละเอียดของไปอีกก็ยังได้อีกไม่รู้รูปนามในอดีตไม่รู้รูปนามในอนาคตนะรูปนามในอดีตเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแล้วรูปนามในอนาคตนะยังไม่มีไม่รู้รูปนามในอดีตและรูปนามในอนาคตว่ามันสืบเนื่องกันมานะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการที่จิตปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยคือคาว่า วิชาล้างอาวิชาไปล้างความเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกในเรื่องทุกสมูทยัยนิโรธมรรคเรื่องรูปนามเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีเรื่องต้องรู้ตั้งเยอะถ้าจะรูน้น้อยจะรู้อะไรให้รู้ทุกพระเจ้าบอกอยู่แล้วว่าทุกให้รู้ถ้ารู้ทุกก็เป็นอันล้าสมูทยัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรค ในฉับพลันนั้นเลยถ้ารู้ทุก์ก็คือรู้รูปนามงั้นก็รู้รูปนามทั้งอดีตรูปนามทั้งอานาคตรูปนามทั้งอดีตและอานาคตถ้ารู้ทุกข์ก็รู้รูปรู้นามแล้วก็จะรู้ปฏิจจสมุ ป, ปบาทอัตโนมัติไปหมดเพราะในปฏิจจสมุ ป, ปบาทก็มีแต่รูปกับ น, นามอาวิชชาเป็นรูปเนื้อนาม hmm? พวกเด็กๆอวิชชา ความไม่รู้เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมาอวิชชาเป็นนามธรรมา ท, ำทำให้เกิดสังขารคือความปรุงของจิตความปรุงของจิตเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็มเป็นนามธรรมใช่ไความปรุงแต่งของจิตทำให้เกิดความอย่างรู้มือวิญญาณวิญญาณเป็นรูปธรรมหรือนามธรร ม, ามนมามธรรมวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม มีทั้งนามทั้งรูป <c oughs> นามรูปทำให้เกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปหรือนามมีทั้งรูปมีทั้งนามตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนามตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดทัดสะการกระทบอารมณ์ภาษาเป็นรูปหรือนามการกระทบอารมณ์เป็นนามธรรมนะภาษาทำให้เกิดเวทนา ความรู้สึกสุขทุกข์รูปหรือ น, นมามนามธรรมส่วนใหญ่นามนะไล่ๆลอลงไปลองดูในปฏิจจารสมาธจริงๆรูปธรรมานมามธรรมทั้งนั้นนะแต่มันเชื่อมโยงกันไปปรุงแต่งตั้งแต่ความไม่รู้จนกใจเป็นความทุกข์เริ่มจากอาวิชชาเป็นตั้งต้นโยงไปเรื่อยจนมีตัณหาอุปาทานมีทุกข์มีภพมีชาติมีทุกข์ ท่านทำลายอวิชาได้ตัวเดียวก็ทำลายทั้งหมดนี้วัตตะจะถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราวัตตสงสารถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราบางคนกลัวเป็นพระอรหันต์กลัวไม่อยากเป็นเร็วอยากเป็นช้าๆอยากเป็นนะแต่ขอเป็นช้าๆเพราะยังติดใจในโลกอยู่คิดว่าโลกนี้เป็นความสุขมก็เลยติดโลกแม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนอก พระอหันต์น่ะไม่ใช่คนเก็บกดนะแต่ท่านฉลาดท่านรู้ทันโลกรู้โลกแจ่มแจ้งแล้วมีแต่ทุกข์ท่านไม่ยึดถือมันท่านมีความสุขอันมหาศาลสุขอื่นเสมอด้วยกับพระนิพพานยไม่มีนะแต่นิพพานไม่ใช่จิตนะจิตที่บริสุทธิ์แล้วเห็นพระนิพพานจิตจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาปัญญาขั้นสูงสุดเรียกว่าวิชา คือความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตตนั่นเองดังนั้นเราพยายามมาเรียนอริยสัจจะเรียนอริยสัจเพื่อมารู้ถูกไว้รู้ทูกท่านใช้คําว่ารู้นี่ไหมไม่ได้ให้ละไม่ได้ให้ควบคุมอย่างตาเรามองเห็นรูปเนี่ยเราไม่ได้ไปควบคุมรูปรูปเป็นไงก็รู้เป็นอย่างนั้นหูได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงไปไม่ได้ไปบังคับเสียงว่าเสียงต้องดีอย่างโน้นอย่างนี้นะ จหมูได้กลิ่นก็แค่กระทบกลิ่นไม่ได้ไปบังคับกลิ่นลิ้นกระทบรสก็ไม่ได้บังคับรสกายกระทบปวดถับพระสิ่งที่มากระทบกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งความตึงความไหวอะไรก็ศักว่ากระทบเท่านั้นค่อยฝึกจนกระทั่งมันฉลาดนะถ้าเราปฏิบัติธรรมนะเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งถ้าใครเขาถามเราว่าอะไร เป็นแก่นแท้เลยนะเป็นตัวสำคัญเลยของพระพุทธศาสนาที่พวกเราต้องเข้าถึงให้ได้ตอบข้าเสียงดังๆเลยนะสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเราปฏิบัติธรรมแทบเป็นแทบตายไม่ได้อะไรมาไม่ได้เสียอะไรไปแต่ว่าละความโง่ได้สัมมาทิฏฐิมาสัมมาทิฏฐิเป็นตัวปัญญาขั้นสูง พระเจ้าบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาดนั้นได้สมาธิได้ปัญญานี่ก็เข้าถึงความบริสุทธิ์ถ้าเราจะมาเรียนนะมาฝึกจิตฝึกใจที่มืดที่บอดของเราเนี่ให้เกิดสมาธิสอนแวบนะเมื่อวานต้องรักษาศีลห้าจำได้ไหมวิธีรักษาศีลห้าที่ดีมีสติรู้ทันกิเลสอะไรเกิดที่จิตรู้ทัน ต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นพร้อมที่จะเจริญปัญญาวิธีจะให้จิตตั้งมั่นก็มีสติอีกแหละรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมัน่นจิตที่ไหลไปไหลมาแล้วจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นมาเองไม่ได้เจตนาให้เกิดพอมีจิตตั้งมั่นแล้วก็อาศัยสติอีกแหละไปรู้รูปธรรมนามธรรมอย่างที่รูปเป็นอย่างที่นามเป็นในสุดปัญญาก็เกิดคือความเข้าใจความเป็นจริงของรูปธรรมนามธรรม ว่าอะไรเข้าใจง่ายไรเบื้องต้นเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ตัวเราหรอกตัวเราไม่มีในปัญญาขั้นต้นนะเห็นว่าตัวเราไม่มีได้พระโสดาบันปัญญาขั้นท้ายจะเห็นว่าสิ่งที่มีนั่นแหละคือตัวทุกข์ก็จะปล่อยวางมันเป็นตัวทุกข์แล้วไม่มีใครยึดแล้วมันเป็นตัวทุกข์ปัญญาขั้นนั้นเป็นปัญญาของพระอรหันต์ เพรนตรงที่รู้ทุกแจมแจ้งเนี่ยเป็นพระอรหันต์แน่นอนพอเป็นแล้วสภาวะจิตจะเปลี่ยนไปละจิตจะไม่เหมือนอย่างที่พวกเรามีนี่จิตจะเป็นอิสระจิตของเรานะแคบแคบเล็กๆมีจุดมีดวงมีที่ตั้งวิ่งไปวิ่งมามีการไปมีการมาจิตพระอรหันต์ไม่มีขอบไม่มีเขต ไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาภายนอกไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีขอบ เ, เขตภายในไม่มีความเคลื่อนไหวจิตของเราภายในเคลื่อนไหวภายนอกมีขอบเขตสังเกตไหมเดี๋ยวจิตเราก็วิ่งไปดูเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิดจิตวิ่งไปวิ่งมาได้จิตมันเล็กๆตัวเล็กๆนําอย่างวิ่งได้ถ้าตัวเราใหญ่เต็มห้องเนี่ยเคลื่อนไหวไม่ได้แล้ว จิตพระอรหันต์นั้นไม่มีขอบเขตเลถ้าจิตเราปุถุชนหรือจิตสัตว์จิตอะไรเงี้ยเล็กนิดเดียววิ่งไปวิ่งมานะรัศมีก็น้อยมีแสงนิดเดียวจิตมีรัศมีนิดเดียวถ้าจิตดีขึ้นนะได้ทรงฌานจิตจะใหญ่ขึ้นเรียกว่ามหคัตจิตจิตมันใหญ่ในจิตพระอรหันต์ไม่มีคําว่าใหญ่ เพราะมันใหญ่มันเทียบกับเล็กได้นะมันเต็มไปหมดแล้วมันเต็มจักรวาลไม่มีการไปไม่มีการมาต่อไปแล้วภายในก็ไม่มีความเคลื่อนไหวของเราเห็นไหมใจเราหมุนติ้วๆอยู่ทั้งวันเลยเดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์ใจพระราห์ไม่ปรุงอะไรนะเวลาปรุงแต่งนะทุกคราวที่ความปรุงแต่งเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นใจจะถูกขยําขยี้นะ ด้วยอำนาจของตันหาแล้วก็เกิดความปรุงแต่งดิ้นรนไปเคยไปงานศพไหมงานศพเวลาไปงานศพนะพระไปชักภาบางสกุลพระจะบอกว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทาวายธรรมวิโนอุปัชิ ต, ตวานิรุชันติเตสังวูปสโมสุขโขประโยคสุดท้ายก็คือสังขารทั้งหลายคือความปรุงแต่งทั้งหลายสงบเสียได้เป็นสุข ความปรุงแต่งไม่เฉพาะร่างกายนี่หรอกนะความปรุงแต่งที่เป็นหัวโจก ร, ริงความปรุงแต่งในจิตนี่ที่หมุนติ้วติ้วติ้ตตอยู่นั่นเองวัดตะหมุนอยู่กลางหน้าอกนี่เองความปรุงแต่งอันนี้จะขาดสะบั้นไปมันปรุงได้เพราะมันโง่อวิชาปัญญาสังขาระสังขารคือความปรุงปรุงได้เพราะอาวิชา ปรงไปแล้วก็เกิดความรับรู้ความอย่างรู้ขึ้นมาเกิ <c oughs> ดยึดถือรูปธรรมนามธรรมาขึ้นมานะมีโอกาสเรียนนะเรียนแล้วก็ให้กันบ้านนะพวกเด็กๆทั้งหลายอย่าทิ้งสิ่งที่เรียนจากหลวงพ่อวันนี้นะสมบว่าเราทิ้งไปนานๆไปไปเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็สอนอันนี้แหละถ้าไม่มีปัญญาเรียนตอนนี้นะไปเจอข้างหน้าก็ายิ่งไม่มีปัญญาเหมือนเดิม ตั้งใจเรียนไว้ตอนนี้นะได้โสดาสกทาคาอะไรก็ เ, เอาเกิดไม่ได้เลยไม่ได้เลยมันเคยฝึกจิตฝึกใจอยู่เคยฝึกสติฝึกให้จิตตั้งมั่นฝนะึกลักษาศีลฝึกเจริญปัญญาต่อไปไปเจอพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะฟังปุ๊บก็ปิ๊งเลยมันเคยทำมันก็ง่ายนั้ ล, ลงมือตั้งแต่ชีวิตนี้แหละลงมือแต่เดี๋ยวนี้เลยอย่าเสียเวลาเปล่าๆไปฟังซีดีหลวงพ่อ บ, บ่อย ฟังแล้วฟังอีกมีแผ่นเดียวก็ฟังมันแผ่นเดียวที่จริงในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มีคนทําไว้เยอะแยะเลยอยู่ทง y ยูทูปไปเลยเยอะแยะเลยฟังซีดีบ่อยๆนะแล้วก็ดูกายดูใจไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยคนที่เขาไม่เคยเจอหลวงพ่อเขาฟังซีดีอย่างเดียวอุย้ยภาวนาะได้เฉียบขาดนี่เยอะเลยมีคนนึงเป็นชาวนานะ ชาวนาผู้ชายอายุเยอะแล้วด้วยแล้วแกบอกว่าเนี่ยแกฟังซีดีหลวงพ่อนะวันหนึ่งแกเปิดประตูบ้านออกมาจะเห็นต้นไม้โอ้ต้นไม้ไม่มีน้ำหนักจิตต่างหากมีน้ำหนักเนี่ยวุ้ยซาใจถ้าเราพอวนามไม่เป็นไม่ซาใจหรอกไม่เห็นวันจะสำคัญตรงไหนเลยต้นไม้ไม่มีน้ำหนักนี่จิตมีน้ำหนักพูดบ้องๆองจิตมันไม่มีรูปร่าง ไม่มีตัวตนไม่มีน้ำหนักได้ไงต้นไม้มีรูปร่างมีตัวตนอยู่ทำไมไม่มีน้ำหนักออมันไม่มีน้ำหนักเพราะว่าจิตไม่ได้เข้าไปยึดถืออย่างแก้วนี้หนักไหมมันก็หนักนะร้อยสองร้อยกรัมถ้าเราไม่ถือมันหนักไหมมันไม่หนักนะมันหนักเพราะใจเข้าไปถือแล้วไปเจอแกอีกที ปเทศเพชรบุรีใกล้บ้านแกไปไปส่งกันบ้านอีกรอบเพราะน่าดีรู้รูซื่อๆนะรักษาศีลห้าไว้ทุกวันขอว่าสัก15หนาทีไม่ขอเยอะหรอกไหวพระสวดมนต์แล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีก็รู้จิตชั่วก็รู้จิตหนีไปก็รู้ไม่บังคับจิตนะแต่ให้รู้ทันมัน ห้ามบังคับถ้าไม่รู้มันเรียกว่าการสุขาริการนิโยคถ้าบังคับมันเป็นอตัตตะกิรมัฐานิยโยกให้รู้มันเป็นทางสายกลางรู้อย่างที่เป็นในที่สุดเราจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่อเราได้จิตผู้รู้แล้วนะเราจะเห็นกายกระใจแยกออกจากกันร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งความสุขความทุกแยกออกไปอยู่ส่วนหนึ่ง ควปลุงดีปลุงชั่วลบกรดลงนี่แยกออกไปอีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้อยู่อีกส่วนหนึ่งนะแต่ละส่วนแต่ละส่วนคําว่าส่วนในภาษาไทยเนี่ยตรงกับคำบาลีว่าคําว่าขันเคยได้ยินขันห้าไหมอย่าไปตกใจคําว่าขันนะเอาคําว่าส่วนเข้าไปใช้แทนได้ได้พอดีเป๊ ะ, เ, ปะเลยมันคือคําว่าส่วนนั่นแหละสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเราแยกออกได้5้าส่วนเรียกขันห้า ส่วนที่เป็นรูปธรรมนี่อันนึงส่วนที่เป็นความรู้สึกอันนึงส่วนที่เป็นความจำอันนึงส่วนที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วอันนึงส่วนที่เป็นความรับรู้เป็นอีกอันหนึ่งงนไม่ต้องตกใจหรอกมันจะกระจายตัวออกเองนะเวลาใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาขันห้ามจะแตกตัวออกไปพอขันห้าแตกตัวออกไปเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันนั้นสักแต่ว่าเป็นขัน รูปธรรมก็สักแต่ว่ารูปธรรมเวทนาความสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าเป็นเวทนาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานม่ใช่เห็นเลร่างกายไม่ใช่คนหรอกร่างกายไม่ใช่สัตว์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายไม่ใช่ตัวเขาความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความจําได้หมายรู้ความรับรู้ก็สักแต่ว่าเป็นนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่าง ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันจะเห็นด้วยใจเห็นด้วยปัญญาสุดท้ายปัญญาแก่รอบก็ละความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนไม่เห็นมีตัวตนตรงไหนเลยกันห้าไม่ใช่ตัวเรารูปไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไม่อยู่ในอำนาจบังคับเห็นอย่างนี้จะได้พระโสดาบันตัวเราไม่มีตัวเราไม่มีแล้วใครทุกข์ ตัเราไม่มีแล้วขันตัางหาที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกขนะ์นะขันไม่ใช่ตัวเราคนโง่คนเเขวไม่ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าขันคือตัวเราแล้วขันมันเป็นตัวทุกขนะ์เนี่ยก็เลยกลายเป็นเราทุกข์ไปเมื่อคนมีสติมีปัญญาให้เห็นเลยขันไม่ใช่ตัวเราหรอกขันมันทุกข์ไม่เกี่ยวอะไรเลยตัวเราไม่มีความทุกข์ก็อยู่ที่ขัน ก็อยู่ไปเรื่อยจนวันที่ดับขันเคยได้ยินไหมดับขันปรินิพานอันนั้นหมายถึงวันที่ขันแตกดับร่างกายแตกดับไปก็เป็นนิพานชนิดหนึ่งนะนิพานมีสองอันนิพานกิเลสกับนิพานขันบรรลุพระอรหรนันต์นี่นิพานกิเลสกิเลสตายหมดแล้วบรรลุตอนอยู่จนตายร่างกายตายเพื่อเป็นนิพานเรื่องนิพานขันขันมันแตกดับหมด ขันเป็นตัวทุกข์กเมื่อขันแตกดับแล้วเป็นไงอ่ะก็ไม่ทุกข์สิก็สบายนะถ้าพวกเราเวลาจะตายอุ้ยของดีจะตายพระอรหันจะตายร่าเริงนะกองทุกข์ที่อาศัยกันมาช้านา่ น, นี้กำลังจะแตกดับแล้วเฮ่เนื้ออย่างนี้เลยน ะ, ะท่านจะฝ่องใสามากเลย เวลาจะเข้าปรินิพพานแต่ละองค์แต่ละองค์นะจะสดใสราบซ้านะไม่ต้องกินอะไรเลยนะไม่ต้องทาอะไรมีความสุขตัวทุกกำลังจะตายเนะี่ยมันเกิดอย่างนี้ได้ด้วยปัญญานะค่อยฝึกไปไปฟังซีดีไปอดทนนิดนึงเชื่อหลวงพ่อเถอะโง่แค่ไหนก็ฟังรู้เรื่องนะ ฟังไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็รู้จนได้แหละเหมือนอ่านหนังสือนะหนังสือเล่มนี้ยากๆอ่ะ่านมันไหลไหลเที่ยวมัรู้จนได้แหละโ <c oughs> ยกเว้นโงอ่อมตะ <c oughs> คงไม่ถึงขนาดนั้นเนาะพวกโงอ่อมตะพวกบัวใต้น้ําใต้โกลนอะไรนั่นมีไม่ใช่ไม่มีพวกโงอ่อมตะจะมีลักษณะเด่นอย่างหนึ่งช <c oughs> ิดเก่ง ให้ดูก็ไม่ดูหรอกจะคิดลูกเดียวคิดแต่ธรรมะพวกเนี้พวกบัวใต้โคลนเลยธรรมะคิดเอาไม่ได้ธรรมะไม่ใช่เรื่องของความคิดไม่ใช่เรื่องของการใช้เหตุผลด้วยนะไม่ใช่ตรรกะจะเข้าใจธรรมะได้มีวิธีเดียวเข้าไปประจักษ์เข้าไปเห็นเห็นบ่อยๆคําว่าวิปัสสนาเนะี่ยปัสสนาแปลว่าการเห็น เราเข้าไปเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจนั่นแหละที่เรียกว่าวิปัสสนาไปเห็นเอาไม่ได้ไปดัดแปลงไม่ได้ไปสร้างนะไ่ไปเห็นเอาเห็นร่างกายมันทํางานเห็นจิตใจมันทำงานเห็นบ่อยๆสุดท้ายก็เข้าใจมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราแล้วภาวนาต่อไปดูมันซ้ําๆไปด้วยนะถึงวันหนึ่งปัญญาสูงสุดเกิดขึ้นจะเห็นเลยมันคือตัวทุกข์เพราะมันคือตัวทุกข์เนี่ยจิตจะสลัดทิ้งเลยนะ ไม่ยึดถือละต่อไปนี้พอไม่ยึดถือนร่างกายแก่เรื่องของร่างกายร่างกายเจ็บเรื่องของร่างกายอะไรเกิดขึ้นใจไม่หวั่นไหวอีกต่อไปแล้วก็อยู่ไปจนวันที่ขันแตกดับนะร่าเรืองใจพระเจ้าท่านหรสมัยก่อนสมัยพุทธกาลนะท่านเทียบให้ฟังนะบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยมีชีวิตอยู่เหมือนคนที่รับจ้างทำงานนะ ทำงานที่ยากมากมากเลยทําเสร็จแล้วพระอหันตนะ์คือคนที่ทํางานเสร็จแล้วกำลังรอรับรางวัลอยู่รอรับค่าจ้างเะฉะนั้นการที่ขันแตกดับนั่นแหละคือรางวัลที่ได้รับของพวกเราได้ยินแล้วกลัวเลยตายขันแสนดีของเราจะแตกถ้าเห็นเป็นทุกข์เมื่อไหร่นะเออแตกซะได้ก็ดีอา้าวต่อไปส่งันบ้าน มาส ก, การค่ะหลวงพ่อก็ก่อนมาอยู่วัดก็ปั่นกันบ้านเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าพอมาอยู่วัดแล้วก็ที่เห็นเยอะๆก็คือถ้าสมมติว่าเวลาเดินแล้วใจไหลไปตำแขนตำขาอย่างนี้ค่ะก็หลูแล้วก็กวค่ะก็ยังมีเพลงบ้างแล้วก็ช่วงนี้มีโทสะอยู่บ่อยค่ะแต่เดิมมันก็คงมีมั่งแต่มันไม่เห็นค่ะ ใจมันเคลื่อนไปรู้ทันเนี่ยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาคอยรู้บ่อยๆนะใจมันจะเข้าฐานให้กันบ้านแล้วนะ ไ, <ด>ไปดูใจที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่บังคับเคลื่อนได้เคลื่อนเรารู้ไม่ใช่ว่าห้ามเคลื่อนนะเมะื่อวานก็ฟุ้งเยอะค่ะ<ม>แล้วก็ตอนบ่ายเดินก็เห็นมันหลงไปสั้นบ้างยาวบ้างค่ะก็เลยอยากเห็นว่าเอ๊ะต้นทางของความหลงมันอยู่ตรงไหน แล้วก็ตอนเย็นก็เริ่มเกิดโทรศัท์เพราะว่ารู้สึกว่าอยากให้มันดีแล ม, มันไม่ดีค่ะมันไม่ดีแร้วเราไม่ได้ฝึกเอาดีค่ะ <c oughs> ไม่ได้ฝึกเอาสุข <c oughs> ไม่ได้ฝึกเอาสงบได้ฝึกให้เห็นนะพ่ะทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นไปนตามเหตุอันอย่างนี้คือไม่เป็นกลางใช่ไหมใช่ใช่แต่เราร้อนอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ให้รู้ทันเอาครับมีกันบ้านไยา <c oughs> หยครับไปรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านไหม ใจก็สงบใจสงบแล้วก็ดูกายดูใจไปสบายสบายไม่รีบร้อนบรรูุเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นแหละยิ่งรบยิงช้าเราส่งกันบ้านครั้งที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วค่ะพัฒนาการก็แทบจะไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้ค่ะที่เห็นได้ก็มีว่าจิตขายอารมณ์จาก ความเล่าร้อนที่อยากจะอยากดีพี่ตกกังวลคลายออกไปได้บ้างประเมินได้ตัวเองก็ประมาณ3 0มสเปออย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเลยค่ะประเมินเปอร์เซ็นต์ได้นี่ไม่ธรรมดานะประเมินได้ตัวเองอาจจะไม่สากลนะคะที่เพราะมันเป็นความไอ้ตัวนี้มันเป็นทุกข์ที่แบบ45ปีที่เรียนกับหลวงพ่อมามันก็มีสติก็จะรู้เห็นในตัวนี้ซึ่งมันมากค่ะอมันคลายลงได้ก็ได้แค่ตัวนี้ตัวเดียวปัจจาบันค่ะ โอ้ที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายก็เพื่อให้จิตมันขายทูกทิ้งนั่นแหละมันขายได้นิดเดียวค่ะและทีนี้มันขายได้ตามตามความเข้าใจของมันค่ะนะแล้วก็ทีนี้ค่ะพอดีหนูเป็นมะเร็งกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะต้องจะต้องไปผ่าตัดซึ่งหนูก็ไม่ทราบว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกยาวนานเท่าไหร่หนูก็กราบขอความเมตตาจากหลวงพ่อช่วยชีย้แนะว่าไอ้ที่หนูปฏิบัติภาวน า, าเนี่ยค่ะมีข้ออะไรบกพร่องเพ<ก>ื่อจะได้มีสตินะรักษาจ<ะ>ิตไว้รูปเดียวเลย ถ้าจิตใจเร่าร้อนรู้ทันจิตใจกวนกวายรู้ทันจิตใจอยากรีบรบปฏิบัติรู้ทันการที่เรารู <t <t ้สภาวะลงปัจจุบันนันแหละเราปฏิบัติได้เต็มที่แล้วนะงั้นไม่ใช่ว่าต้องรีบไปไหนเลยทำได้เต็มที่แล้วเนี่าเห็นใจที่กังวลกลัวว่าจะภาวนาไม่ทันอย่างนี้นะเดี๋ยวจะตายซะก่อนอเรารู้ทันจิตที่เป็นปัจจุบันนี่เราปฏิบัติได้เต็มที่อยู่แล้ว ส่วนมากผลจะเกิดตอนไหนก็ช่างมันเวลาป่วยหนักๆ น, นะเรารักษาจิตไปอย่างเดียวมีสติรู้ทันอะไรเกิดขึ้นกับจิตรู้ทันไปร่างกายนี้เป็นเปลือกเป็นถ้ำที่จิตอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวบางคนดูอย่างนี้นะบรรลุธรรมไปเลยไม่ต้องกลัวหรอก เขาขแล้วหนูทําอะไรได้เขาได้บ้างหรือยังทำไม่ฮะที่พันผพาหนูทาอะไรกับเขาได้บ้างหรือยังสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ค่ะนั่นแหละไม่ใช่เรื่องธรรมดานะยากมากเลยที่จะแยกขันได้เมื่อเราแยกขันได้แล้วดูไปขันแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราดูกายนี่ไปกายนี่ไม่ใช่ตัวเราดูบ่อยๆแล้วมันจะไม่หวั่นไหวค่ะหลวงพ่อคันแล้วหนูก็ ให้คีมโมคือหนูให้มายี่สิบกว่าครั้งแล้วค่ะสเดือนที่ผ่านมานี่มันแย่มากมันมันเหนื่อยจนแบบใจอยากจะพักอย่างเดียว<ม> ด, ดูจิตดูใจก็จะไม่ไหวเลยค่ะเห็น<ม>แต่โทสะแล้วก็ความไม่พอใจ<ม>แล้วหลังจากนั้นมันก็ไม่สนใจดูอีกเลยค่ะ<ม>ไปอยู่แต่ว่างๆเฉยๆว่างาาางั้นเดี๋ยวจะไปเปรมโลกว่างๆเฉยๆที่หนู <laughs> ที่หนูอยู่นี่หนูไปปรุงมันขึ้นมาหรือว่าหนูมันก็ของที่จิตหรุงทั้งนั้นแหละ <caval 67> พบชาต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตปลุงขึ้นทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเอาใหม่นะถ้าไม่มีแรงก็คิดถึงพุทธเจ้าไปพุทโธพุทโธไปมีแรงก็พุทโธไม่มีแรงก็พุทโธไปคิดถึงพุทธเจ้าไว้อย่างเดียวเลยพุทโธไปเออพุทโธพุทโธนะจะเป็นจะตายฝากชีวิตไว้กับพุทโธเลยไม่เสียหลายหรอกค่ะถ้าจิตมันไม่ไม่หวั่นไหวนะสู้ว่าจะตายจริงเนี่ย พอเรารู้ว่าจะตายจริงๆแล้วจิตจะไม่วันไหวหรอกตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงขึ้นมาเลยถ้าถึงตอนนั้นเราค่อยภาวนาเอานาทีสุดท้ายนั่นแหละมันจะไม่ได้ว่าล้มละลายไปหรอกภาวนามาถึงขนาดนี้หนูดูอะไรไม่ได้สุดท้ายหนูก็ตั้งสติเอ้าดูกายมันนอนเออนั่นแหละถูกแล้วมันก็เฉยว่างเฉยเฉยไป <ๆ S 1> สุด <ๆ S 1> ท้าย <ๆ S 1> หนูก็เห็นหนูนอนโกนอยู่บ่อยๆอะค่ะเออแน่นั่น ใ, นใจมันตั้งมั่นได้สมาธิอยู่นะ แล้วมาช่วงหลังเนี้ยปเหมือนกับปีที่แล้วหนูส่งกันบ้านหลวงพ่อหนูเจอฟั่มว่างหลวงพ่อบอกมีว่างแบบตั้งมั่นแล้วก็ปลอมๆว่างปอมๆแต่ช่วงหลังมาเนี้ยหนูเจอฟั่มว่างว่างเฉยๆบ่อยมากหนูก็แอบพอใจเออตัวนี้แหละเดาวเดินปัญญาต่อบางทีมพอใจพอใจรู้ว่าพอใจเลยทีนี้มันว่างบ่อยเกินจนหนูแปลกใจว่าเอ๊สงสัยหนูจะไปปรุงมันขึ้นมาซะแล้วสำคัญนะมันจะก็ปรุงทั้งวันหละ ไม่ปรุงดีก็ปรุงชั่วไม่ปรุงดีปรุงชั่วก็ปรุงว่างแต่ความปรุงมีสามัญปุญญาพิสังขารปรุงดีอปุญญาพิสังขารปรุงชั่วอาเนนชาพิสังขารปรุงว่างหลวงพ่อคะถ้าทําอะไรคือใจมันชอบปรุงว่างถ้าหนูปรุงว่างไปบ่อยๆอย่างนี้ปรุงว่างปรุงว่างก็ได้ปรุงว่างรู้ว่าปรุงอยู่นะแล้วใจชอบรู้ว่าชอบจุดสําคัญอยู่ที่รู้ทันว่าใจชอบต่างหากอะไรก็ได้ แล้วมันก็เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกไอฟาร์มว่างๆนี่ค่ะดูไปที่ใจที่ใจอย่าไปไดูที่ว่างดูที่ใจใจชอบรู้ทันใจเป็นอุเบกขารู้ทันนี่จิตไม่เที่ยงแล้วนี่เดินปัญญานะเห็นไหมเดี๋ยวจิตก็มีความพอใจเดี๋ยวจิตก็เฉยๆเนี่ยจิตแสดงใจรักณให้ดูอยู่เนืนูหนูขอส่งกันมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะคือตอนนั้นหนูส่งกันมาหลวงพ่อว่าหนูจิตชอบไหลไปเกาะเกี่ยวคนพิเศษตอนนี้หนูจะมารายงานหลวงพ่อว่ามันคลายออกได้แน่นอนแล้วค่ะ เวลาจะตายแล้วไม่เอาใครไม่ใช่หนูคลายออกก่อนหน้านี้ค่ะหนูคลายหนูคลายออกจากหลังจากฟังหลวงพ่อแล้วหนูก็การการที่เรามีปัญญาการที่เรามาตึกเราคิดบางใจเสียใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการคลายออกได้ใช่ไหมคะใช่หนูฟังหลวงพ่อแล้วหนูก็กลับมาประเมินมาคิดอะไรหลายเรื่องค่ะแล้วมันคลายออกไปได้คลายด้วยการคิดเอาแต่เป็นสมถะไม่แต่ตอนนี้มันคลายได้ถาวรเลยค่ะเออดีแล้วเอย่าไปยึดไว้ค่ะกลับขอบพระคุณค่ะเพราะฉะั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะ รู้ทันจิตไปความว่างเกิดขึ้นจิตดีดให้รู้ทันจิตเป็นอุเบกขาให้รู้ทันรู้แค่นี้แหละก็จะเห็นว่าจิตนี่ไม่เที่ยงดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลวงพ่อคะแล้วเกิดสมมติว่าหนูดันไปว่างๆอยู่ตอน <c oughs> แล้วมันตันตายไปตอนว่างๆเฉยๆ <c oughs> ก็ไ ป, ไ ป, ปพม่าโลกไปพม่าโลกเหรอคะหลวงพ่อคะถามอีกนิดนึงค่ะถ้าเกิดหนูไปว่างๆเสร็จแล้วหนูไม่อยากว่างหนูจะทำหนูกลัวเป็นพม่าโลกอะค่ะให้รู้ว่ามีโทสะ เห็นไมเราว่างนะไม่สําคัญสําคัญที่รู้ทันจิตสภาวะไม่สําคัญนะสําคัญที่รู้ทันจิตค่ะมันว่างขึ้นมาจิตพอใจให้รู้พอรู้แล้วมันเป็นอุเบกขาก็รู้ว่าจิตเป็นอุเบกขาได้ยินหลวงพ่อพูดว่าว่างแล้วไปปลุกมันโลกช่าไม่ชอบพอว่างแล้วจิตเกิดโทสะให้รู้ว่ามีโทสะคที่รู้ตรงที่จิตนี่คคกายละทิ้งเลยแล้วรู้ทันจิตตัวนี้แตกหักกันที่จิตนี้ กราบหลวงพ่อคะ่ะพอดีหนูปฏิบัติแนวทางหลวงพ่อมาประมาณปีหนึ่งแล้วเห็นว่ากายกับใจเป็นแยกกันทีนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นแค่ความคิดหรือว่าไม่ใช่อะเป็นความคิดมันแยกไม่ได้หรอกแล้วหนูควรจะทำเหมือนเดิมคือแบบรู้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นหรือเปล่าคะ่ะรู้ไปนะแล้วจิตดีดให้รู้ทันจิตดีนรายให้รู้ทันนะจิตเป็นกลางก็รู้ทันรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจ เข้าใจป่ะมันไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รู้ทันจิตหรอกใครรู้ทันจิตไปนะให้มันถึงจิตจริงจริจิตดีดีให้รู้ทันจิตดนร้ายให้รู้ทันจิตเป็นอุเบกขาให้รู้ทันแต่อย่าจงใจรู้นะจงใจรู้มันแน่นถ้าแน่นแนมันถูกแล้วการทำมาสการหลวงพ่อคะ่ะเออวันนี้หนูมากาบับขอโอกาสให้หลวงพ่อเมตตาพอดีว่าพยายามฝึกหัดดูจิตแล้วก็พยายามปฏิบัติ เออนั่งสมาธิบ้างในช่วงนี้นะคะทีนี้มีปัญหาคือว่าระหว่างวันคือติดจะไปติดเศร้าหมองเรารู้สึกว่าเหมือนจมเรายึดเอาไว้เยอะอคือเราอยากจะทราบวิธีว่าโดยปกติคือถ้าเรารู้ว่ายึดแต่จะถอนออกมาเองไม่ได้สามารถที่จะคิด ห, หรือเปลี่ยนให้ดูอย่างนี้นะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรละรู้มันเข้าไปตรงๆเลยว่าจิตเศร้าหมองรู้เข้าไปตรงๆแล้วมันจะขาดเองนะ มันจะไม่จมแช่อยู่หรอกอันนี้จมแช่อยู่เพราะเราหมดแต่กลัวมันเราไม่ชอบมัน <คะ S 1> ใจมันเลยมีโทสะไม่ขาดให้รู้ทันว่าจิตเศร้าหมองดูมเข้าไปตรงๆเลยมันเศร้าอยู่ตรงไหนดูมเข้าไปตรงนั้นอะค่ะทีนี้เคยฟังจากซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อแนะนําว่าคือมันจะมีความรู้สึกอยู่เบื้องหลังซึ่งจริงๆก็คิดว่าเหมือนจะเป็นจางๆซึ่งทําให้แบบความรู้สึกมันแน่นๆๆยิ่งขึ้น ตรงนี้จะต้องทํำยังไงอะคะ่ะไม่ต้องจงใจดูนะคะให้รู้ทันใจใจเศร้าหมองให้รู้รู้ไม่ตรงตรงดูซื่อพอดีวางไม่คือดูเฉยเฉยไม่ค่อยได้ดูแล้วเกลียดมันคเกลียดมันให้รู้ว่าเกลียดเน<อ>ี่ยให้รู้ทันจิตไปอย่างนี้ค่ะเออแล้วถ้าเราจะใช้คิดคิดนําแบบคิดบวก S 1> <S 1> <S ได้คิดบวกไดน้นั่นคือเป็นการหนีปะะ่าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองค่อนข้างที่จะแบบพอค่อนข้างที่จะจมจะออจะไม่ค่อยหลุดออกมาคิดระหว่างจมน ะ, ค, ะคิดบวกดีกว่าค่ะแล้วระหว่างคิดบวกก็รู้รู้ดีกว่าแต่ตอนนี้รู้ไม่ได้คิดบวกไปก่อนดีกว่าให้ใจจมอยู่กว่ากองทุกตกนรกทั้งเป็นเรื่องอะไรนะคิดบวกไว้ค่ะแล้ว ในชีวิตประจําวันต้องอยังไงก็อย่างที่เป็นหรู้ว่าควรจะมีอะไรเพิ่มเติมรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะเคยรู้ทันความรู้สึกแล้วใจมันไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบไหมค่ะอย่างตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนมันมีความรู้สึกยุกยิกตลอดแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรถ้าโกรธแรงๆจะรู้อะไรอย่างนี้ค่ะแต่จะแยกโมหะไม่ค่อยออกคือจิตเนี่ยปรุงตลอดเวลายุกยิกตลอด ทีก็ปรุงแรงขึ้นมาก็เป็นโทสระเป็นอะไรขึ้นมาปรุงเบาๆก็ยุกยิกเป่นงนี่แหละแล้วลำขาดก็ดูทันว่าลาําคารก็แล้วกันค่ะ ข, ขอบคุณพ่ะหลวงพ่อกับนมะสการหลวงพ่อเจ้าค่ะส่งกันบ้านครั้งล่าสุดเมื่อสี่เดือนที่แล้วเจ้าค่ะแล้วก็เริ่มเห็นว่ากายที่เดินมันเป็นก้อนๆขาที่มันเดินมันเหมือนกับว่า เหมือนเป็นล้อจั ก, กรยานเ อ, อมันหมุนของมันเองมันทำของมันเองเจ้าค่ะก็เห็นใจที่มันอยู่กับลมหายใจแล้วหนูรู้ไหมใครเป็นคนถีบจั ก, กรยาน <c oughs> ขาที่มันเดินได้นะเพราะใจมันสั่งอ <c oughs> ใจแหละเป็นคนขี่จักรยานต้องย้อนเข้ามาดูที่ใจไหมเจ้าคะก็รู้ทันได้ก็ดีการภาวนานะถ้ารู้ถึงจิตถึงใจได้ดีที่สุดรู้จิตไม่ได้ก็ดูกายเอา รู้จิตรู้กายก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างก็ทำความสงบไปเค่ะเห็นเวลาที่อยากเห็นมันบีบคั้นตรงกลางอกด้วยเจ้าค่ะใช่ใช่บีบอยู่ตัวนั้นแหละเจ้าค่ะกดอยู่ที่กลางอกนั่นแหละเห็นใจมันไหลออกไปคิดแล้วก็กลับมาที่ลมเห็นมันวิ่งออกไปฟังแล้วก็กลับมาที่ลมเนี่ยเจ้าค่ะแล้ว มันก็วนสเต็ปอย่างเงี้ยสักสองสรอบแล้วมันก็พูดขึ้นมาในใจว่ามันทำงานมันทางานองของมันเองเจ้าค่ะก็ดีน ะ, ะช่วงหลังๆเหมือนมันไม่ค่อยเข้าฐานเจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าว่าต้องแก้ไขต้องทำอะไรเพิ่ ม, เ ต, มเติมไหมเจ้าคะก็เพิ่มสมาธิขึ้นนะใจต้องถึงฐานจริงๆใจต้องมีแรงค่ะแต่ไม่ใช่แรงแข็งแข็งนะ ให้เขารู้ทันจิตที่ไหลจิตที่ไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้บางทีนั่งนั่งสมาธิแล้วเหมือนมันเพ่งที่ลูกตาเจ้าคะปวดตาสิก็ใช้เดินแทนได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ได้เมื่อก่อนหลวงพ่อก็เคยเป็นนะท่านเป็นโยมมาดูจิตสะปวดตาเลยเอาตาไปดู <laughs> ดูจิตแล้วแค่แค่รู้สึกเท่านั้นไม่ได้ใช้ตาดู มันเพ่งเยอะไปใช่ไหมเจ้า <ไป S 2> คถ้ามันอยากดูให้ชัดเลยปิดจ้ อ, จองเจ้าค่ะเราถ้าลืมตานั่งได้ไหมเจ้าค่ะได้ดีที่สุดเลยเห็นพระพุทธรูปลืมตาไหมค่ะไม่ว่าปางไหนก็ลืมตานะขนาดพระนอนยังลืมตาลืมตามเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความรู้สึกตัวทําอะไรก็รู้สึกตัว ท, ทุกทุกอิริยาบถขอบคุณเจ้าค่ะ ในมรดการค่ะหลวงพ่อมีสองเรื่องนะคะเรื่องแรกคืออยากถวายการปฏิบัติในรอบหเดือนที่ผ่านมามเริ่มเข้าใจแล้วค่ะว่าบางทีก็จะจิตอยู่ข้างนอกบางทีจิตก็จะอยู่ข้างในโอ้ใช้ได้แล้วมีอยู่วันหนึ่งกําลังเดินจงกรมอยู่รู้สึกแปลกๆคือเหมือนเหมือนจิตมันหลุดออกมาจากกล่องะะอะฮะดีแต่มันเร็วมากนะคะอสังเกตแปลว่าคันมันกระจายตัวไปได้ยังดูไม่เป็นรู้สึกไม่กลยกระจายคนละอันตอนเนี้ย อยกได้แล้วล่ะแยกได้แล้วก็ดูไปนะร่างกายไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตใจที่ไปรู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหลวงพ่อครับหนุมโยมมีปัญหานอนไม่หลับไม่เป็นเพราะการปฏิบัติหรือว่าเวลานอนร่างกายมันหลับมั้งใจมันสว่างโปรงขึ้นมาใช่ค่ะดีตอนนี้หนูต้องกินเมล็ดทนดินแล้วค่ะคุณหลวงพ่อแล้ว เออถ้ามันไม่หลับหลายวันก็กินบ้างหลวงพ่อไม่เห็นเดือดร้อนเลยเห็นลนอนนะเลานอนนอะใจมันจะสว่างขึ้นมาแล้วเราก็อยู่อย่างนั้นแะมันบอกไม่ถูกอะค่ะอยู่ดีพอมันสว่างแล้วมันจะมันจะจิตมันจะค่อยตื่นจิตมันจะตื่นก่อนแล้วตาก็จะตื่นตามไอย่าไปลืมตาสิให้กายมันหลับไปให้ใจมันตื่นค่อยฝึกนะฝึกให้ร่างกายมันนอน ร่างกายต้องการพักยาวจิตพักนิดเดียวจิตมันจะตื่นกอดกายเสมอแหละใช่ค่ะใช่ค่ะเออมีอีกคำถามหนึงนะคะเกี่ยวกับศีลพอดออีมีบริษัทกําจัดยาฆ่ า, มาแมลงกับยาฆ่าปลวกมาชวนโยมไปเป็นที่ปรึกษากฎหมายมันจะทําให้ศีลของโยมด่างพร้อยไหมคะเ อ, อไม่เกี่ยวนะเราเป็นที่ปรึกษากฎหมายเราไม่ได้ไปปรบาบแมลงเนี่ยขอบคุณค่ะ วางใจให้ถูกนะเราไม่ได้สนับสนุนการฆ่ า, มาแมลงนะเราดูเรื่องกฎหมายกับนรัสการหลวงพ่อครับ <c oughs> ก็มันเกิดสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาเนี่ยหลวงพ่อครับมันมันมันจะเป็นปัญญาหรือเปล่าครับคือแล้วเราก็ความเข้าใจเนี่ยจะเข้าใจถูกไหมนะฮะก็คือปกติเนี่ยจะมาจะเห็นโทสะเนี่ยนะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นพลินอยู่นะครับ ก็จะมีอยู่วันหนึ่งนะก็เห็นโทสะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วโทสะก็ดับไปนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าจิตมึงก็บจิตมึงก็บอกว่าเฮ้ยนี่แหละนิวรณ์นะฮะเสร็จแล้วขณะจิตถัดมาเนี่ยนะก็เกิดความเข้าใจว่าอ๋อที่บอกว่านิวรณ์กับสมาธิที่ที่ที่เป็นครูปรับกันเนี่ยมันมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะแล้วจิตขณะจิตถัดมานี่ก็เลยก็มีความรู้ว่าอ๋อมีหน้าแหละเพราะว่า อัลดาแาวดาบทกับอุทกดาบทนี้ไม่เห็นนิวรนนี่เองถึงถึงถึงไม่บรรลุนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งนี้มันมันมันเป็นเรื่องนั่นคือเคยเคยเคยได้ฟังในในพระสูตรเนี่ยนะที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านมีจิตเสมอกันต่อพระลาหุนต่อช้างนะต่อพระเทวทัตเนี่ยที่บอกว่ามีจิตเสมอกันเนี่ยอืแต่ก่อนนี้ก็คิดเอ๊จะต้องวางจิตยังไงจะต้องทํำยังไงถึงจะเสมอกัน แต่พอเห็นตรงนี้แล้วเข้าใจแล้วว่าการการที่พระเจ้าที่ท่านมีจิตเสมอกันตรงนี้นคือก็คือว่าท่านเนี่ยไม่มีนิวรณ์อ<ม>ือันนี้ใช่ไหมครับคือมันลึกกว่านิวรณ์นะไม่มีกิเลสทุกระดับเลยนะนิวรณ์มันเป็นกิเลสกลางๆ ก, กิเลสลึกลงไปยังมีอีก<ม>พวก อ, อนุสัยกิเลสพวกสังโยชน์พวก อ, อะไรพวกนี้กิเลสมีหลายระดับ พระเจ้าไม่มีกิเลสซักระดับเดียวเลยงั้นจิตของท่านเนี่ยความรู้สึกต่อเทวทัตกับความรู้สึกต่อพระราหุลเท่าๆกันแต่การปฏิบัติต่อพระเทวทัตกับพระราหุลไม่เหมือนกันไม่ใช่จิตของเราเห็นทุกคนเท่าเทียมกันแ ล, แล้วเราปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกันท่านก็ไม่ได้สอนอย่างนั้นบางคนก็ต้องดูเอาข่มควรที่ควรข่มชมควรที่ควรชม เชียร์คนที่ควรเชียร์เลยหรือปรามคนที่ควรจะปรามปฏิบัติแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะแต่ใจนะมันเท่ากันไปทําอีกนะใจมันฟุ้งไปมันเดินปัญญาเยอะไปปัญญามันเกินสมาธิแล้วมันมีมันมีอีกอันหนึ่งก็คือแต่ก่อนเนี่ยนะครับเวลาเวลาเหมือนว่อใจถล่าลงไปอะไรเนี่ยนะมันจะมีความสึก นั่นอนะฮะที่ที่ที่กลางอกเนี่ยอนะืแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนมีความรู้สึกว่ามันมันใจที่มันแน่นที่กลางอกเนี่ยมันมีเหมือนกับมีมันมีอะไรที่อยู่หลังฉากอีกทีหนึ่งที่เป็นที่ที่รู้ว่าเนี่ยมันมันเป็นอีอกอีกตัวนึ่งต่างหากใช่แน่นไม่ใช่ใจเราแน่นเป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าแต่อย่าจงใจไปดูตัวรู้นะมันจะเกิดรู้ซ้อนรู้ไม่มีที่สุดเลยให้แค่รู้ว่ามันแน่นไม่ใช่เราเท่านนี้พอละ แน่นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ต้องจงใจไปดูตัวรู้นะไม่ต้องไปหาตัวที่ซ่อนอยู่ถ้าหาตัวนั้นแล้วก็ไม่มีที่สุดละอันนี้ซ้อนไปเรื่อยๆครับกลับนมัสการค่ะหลวงพอออ่อหนูปฏิบัติแบบดูลมอะค่ะ อ, อนาปนสติแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็พยายามรู้เวลาเดินขวาซ้ายขวาซ้ายทีนี้บางทีเราก็จะเห็นเวลา ทำงานเงี้ยค่ะเวลาโกรธหรือไม่พอใจหรือว่ามีอารมณ์หมันไส้เนี่ยก็จะเห็นมันชัดขึ้นมาในใจค่ะแ ล, แล้วเวลาลมหยาบหยาบเกิดนะมันดูง่ายจะง่ายเวลาอารมณ์เบาเาก็ดูลำบากเหมือนจะไม่มีอารมณ์ที่จริงก็คือเบาๆมีเรื่องไงในรูปแบบเนี่ยคือหนูหนูก็คือจับลมแล้วมันจะไปเหมือนไม่มีลมอยู่แต่ว่ามันจะไปนิ่งอยู่ข้างในกายอะค่ะ นิ่งอยู่ก็นิ่งอยู่นะแล้วพอมันกลับมามีลมมามีกายอีกดูไปเลยร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้นะไม่ใช่เราดูกายอย่างนี้เลยก็แล ะ, ะจิตทรงสมาธิแล้วออกจากสมาธิมาให้ดูกายไว้ดูจิตมันจะไม่มีอะไรให้ดูว่าง ก็จะรู้อยู่ว่ากายมันประกอบด้วยขันไอท่าทั้งสี่อะคะ่ะว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟอย่างเงี้ยค่ะเออมันยังรู้ไม่พอนะถ้ารู้พอแล้วจิตมันจะไม่ไม่หวงกายขนาด น, นี้เนี่ยดูซ้ําดูซากดูบ่อยๆอ ย, อยดูเห็นกายมันก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วจิตเองก็บังคับไม่ได้จะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์ก็ห้ามไม่ได้ก็จะเห็นจิตก็แปรปรวนตลอด ร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราเนะี่ยดูทั้งกายดูทั้งจิตไปแต่ว่าในบางทีมันก็จะรู้สึกถึงความรู้สึกว่าเราเจ๋งอยู่ข้างในเราอะไร น, นะเราแบบเก่งอะคะ่ะเออแบบเก่งให้รู้ทันถ้าพอรู้ทันนะตัวนี้จะเป็นกิเลสหน้าอายมันจะรู้สึกอายนะยกเว้นพวกพิเศษจริงๆอะขนาดหนามากๆ <laughs> <laughs> จะรู้สึกเฉยๆ <laughs> แต่ส่วนใหญ่นะ พอเห็นไอ้ตัวกูเก่งแล้วจะเขินเลยโอ้กิเลสแท้ๆเลยหนวไปดูต่อไปดีแล้วละ่ะคก็คือเน้นดูกายใช่ไหมคะคุผมใช่ถ้าสมาธิเยอะให้ดูกายไว้แล้วก็ดูกายไปเรื่อยนะต่อไปก็จะเห็นจิตว่ากายมันทํางานจิตมันเป็นคนดูดูไปดูมาเดี๋ยวมันก็สุกดูไปเดี๋ยวมันก็ทุกข์นะเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวก็โลภโกรธหลงก็จะเห็นจิตด้วย สุดท้ายนี่เห็นทั้งกายทั้งจิตแหละว่าไม่ใช่เราเห็นแต่กายอย่างเดียวมันยังไม่พอหรอกเพราะบางทีพอดูจิตแล้วแบบว่าเรารู้ว่าจิตจิตไหลไปถ้าไปจงใจดูมันจะไม่มีอะไรให้ดูนะมันจะทื่อๆไปเลยรู้ทันจิตไหลไปแล้วก็กลับมานิ่งเลยอย่างนั้นไม่ดีไม่ได้ว่ารู้สึกว่าจิตไหลไปทางภาพที่เห็นใช่ไหมคะหลวงพอ่อให้รู้ทันว่าจิตไหลไป จิตจะไหลไปไหนไม่สำคัญสำคัญที่รู้ว่าจิตไหลไปแล้วไม่ห้ามนะถ้าห้ามจะแน่นแค่รู้ว่าไหลเออคิดต่อหน่อยหนึ่งก็ได้เออจิตมันไหลได้เองแเนี่สอนมันไปเรื่อยเืของหนูต้องช่วยมันสอนนิดหน่อยน ะ, ะ, อะสอนกายเรื่องกายบ้างสอนเรื่องจิตบ้างให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราทำงานได้เองก็คือต้องคิดเสริมใช่ไหมคะเออคิดเสริมนิดหน่อย นะไม่คิดเยอะหรอกคิดนิดๆหน่อยๆไม่งั้นใจมันิะไปติดนิ่งๆไปอ๋อค่ะกลับในมนรดการหลวงพ่อค่ะ <c oughs> ก็ส่งการบ้านครั้งแรกนะคะฟังซีดีหลวงพ่อมาไม่นานมากอะคะ่ะสักประมาณสองเดือนแล้วก็ปฏิบัติมาก็รู้สึกว่าความทุกข์ที่เคยมีเนี่ยมันเบาบางลงแล้วก็ใจสงบมากขึ้นนะนะคะเคยรู้สึกตัวแรงๆก็คือ ก็คือมีโทสะค่ะแล้วก็พอรู้สึกตัวปุ๊บมันก็มันก็ดับลงเ อ, อใช่ทีนี้ก็ก็อยากจะแต่ก็คล้า ย, ายๆท่านเมื่อกี้นะคะที่แบบบางครั้งมันทําให้นอนไม่หลับอันนี้ครับสติเนี่ยนะถ้ามันดีมากๆนะมันเหมือนเราไม่หลับเลยนะแต่ว่าพอมันเหนื่อยจริงๆมันก็หลงพักแล้วพอพักพอแล้วมันก็สว่างขึ้นมานะมันก็ทรงตัวอยู่แล้แลพักอยู่ในสมาธิอย่างนั้นนะ <G ül ets> แต่ร<ะ>่างกายต้องการพักหลายชั่วโมงให้ร่างกายมันนอนไปคมันจิตมันพักนิดเดียวมันไม่มีกล้ามเนือ้อในจิตมันไม่เมื่อยดังนั้นเดี๋ยวเดียวมันก็พักประเดี๋ยวเดียวมันก็ขึ้นมาได้อีกแล้วคนทั่วๆไปพอนอนหลับเนี่ยไปพักเดียวจิตก็ทํางานว่าฝันเพราะเรามันรู้เนื้อรู้ตัวมีสติดีแล้วจิตเริ่มทํางานมันรู้ตัวสว่างสวัยอยู่นั้นพักผ่อนอยู่กับความสว่างสวัย แล้วควรจะแก้ยังไงได้คะหลวงพ่อฮะไม่ต้องแก้หรอกต้องแก้ใช่ไคะฝึกไปให้ร่างกายมันนอนกลนครอกเลยใจเราสบายอยู่ตะหาแล้วที่ปฏิบัติอยู่นี้ก็คือทำต่อไปใช่ไหมคะอย่าใจร้อนนะอยากได้ผลอยู่จะเอาเร็วทำไปเรื่อยๆนะเราชีวิตจะดีขึ้นเรื่อยๆเราจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนา อ่ะหมดแล้วล่ะเชิญกลับบ้าน